ตัศภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัตตสันะโมตัศภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัตสันะโมตัศภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัตส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 ไม่ใส่นั่งเล่นๆพระองค์นั่งสีสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละมาตั้งแต่สเสด็จออกบรรพชาอายุยี่สิบเก้าปีก็ยังไม่เท่ากามเวลามาสีสละภาวนานั้นอีก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 ไม่ไปไหนตลอดวันก่อนนึกว่าเอาว่าพระฤาษีตมนี้คงนอนที่นี่แน่ๆไม่ไปไหนแขกคนนั้นก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอายาคามาได้แปดกำเอามาน้อมถวายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอายาคาตั้งแปดกมนั่นแหละ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 ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละพระองค์ก็เอาหญ้าคาตั้งแปดกามมาคลี่กลับไปกลับมาสลับกันไปมาจนหมดเอาเป็นที่นั่งเถอะนะเพื่อการชื้นเพราะว่าเดือนหกเพนมันก็ย่างเข้ารืดูฝนาบางปีมันก็ชื้นไปหมดแหละ แต่ว่าอย่างกีนี่นั่นเดือนหกก็ยังไม่ชื่นเท่าไรเมื่อพระองค์ได้ยญ้าคาเท่านั้นแหละไม่มีเสือสารอาสนะใดๆเอาญ้าคาเป็นที่นั่งเอาลุกขมูลล้มไห้โพเป็นล้มเงาถ้าฝนตกก็เกลียด แต่พระองค์ก็เอาที่นั้นเหลกินที่นั่งกรรมาฐานภาวนาเมื่อได้โอกาสแล้วพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรคำว่าขัดสมาธิเพชรนั้นให้พากันดูหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเทียงแสนที่ถ้าเหล่านี้มีอยู่หลายองค์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 ไม่ลกไปที่ไหนถ้าไม่ได้ตรัตสะลูปเป็นสัพุท ธ, ธิจ้ก็ยอมตายในที่นั่งนี่แหละแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลกไปมาในที่ใดๆทั้งนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว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 พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่ได้ตรัสแต่ว่าบำเพ็ญบรารมีมาสีอสงไขยแสนมาหากับครบท้วนแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วยังเหลือโยแต่ตรัสสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธยานเท่านั้นพระองค์ก็เลือกได้ว่าลมหายใจอนาปาลมหายใจเข้าออก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 โยู่วนกลางลูนั่นเองลมหายใจมีหน้าที่ <c oughs> สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายโดยปอดเมื่อสูดเข้าไปแล้วปอดก็ถายเทลมหายใจเก่าออกมาทิ้งสูดเอาลมหายใจใหม่เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกาย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 ไม่ให้มันไหวหวัน่นท่านตึงต่อเหตุการณ์ใดๆเจตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่วอกแวกวันไหวสั่นสะเทือนน้มพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เหมือนแผ่นดินโบราณนาการทั้งหลายท่านเจีงเขียนลูกผู้หญิงผมยาวรีดน้ำผมไล่พยามาณไป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 ท่านว่ากรรมฐานมีอยู่สิบสี่สิบข้อหรือว่ากรรมฐานสี่สิบ้อเป็นน้องอนาปะอนาปาลมหายใจนี้ <c oughs> สำคัญเพราะธาตลมมันเคลื่อนไหวไปมาเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทุกคนกำหนดลมหายใจของตนได้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 แน่นั้นจึงให้พากันทำความปียิยินดีในการที่เราได้มาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในเวลานี้จงตั้งใจให้เต็มเตี่ยมไปด้วยความยินดีพอใจในการปฏิบัติบูชานี้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 เพราะศรัทธาความเชื่อนี้เป็นหลักสำคัญศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพระทั้งห้าเมื่อภลระกำลังขั้งห้านี่แหละมีในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วย่อมไม่ทอถอยดูพระพุทธเจ้าในคืนมันนั่นเอง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 ต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปโปรดปันเจาเวรวัคีฤษีทั้งห้าให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิทานให้สาวกทั้งห้าองค์นั้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นส่วนพระพุท ธ, ธเจ้าของเราก็ไปด้วยพระองค์เอง พระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมีกิจอยู่ห้าประการเรี ว, ว่าพุทธกิจห้าประการของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้แล้วทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและจะเป็นไปในอนาคตกางๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้น มีกิจหาอย่างตอนเช้าเสด็จโปรดสัตว์ในทางบินทบะางได้ว่าโปรดสัตว์ในทางบินทบา้างตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นรรับพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาศรัท ธ, ธา่าวา่ามาฟังธรรมที่วัด พระองค์ก็สเสด็จไปตัดพระธรรมเทศนาศสอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สูงสุดเป็นจิตของพระพุทธเจ้าตอนพบขําอย่างเราท่านทั้งหลายมานาสีลานีเรียกว่าปะโดเซฟิกุโอวาดังพระองค์ก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสง ภิกษุภิกษุณีสามเสามเนเณรสามมเนเณรลีผ้าขาวนางทีลือสีผู้สละกายาคารวะยาดยมแล้วไม่เกี่ยวก่อกังวลด้วยอารมณ์ค <c oughs> ารวะมาปฏิบัติบูบชาภาวนาทุกคืนพระองค์ก็มาสัตสอนสมาธิภาวนาให้ สาวกขั้งหลายก็ตั้งใจฟังด้วยดีเมื่อเสร็จแล้วก็เลิกลาไปเดินจมกลมบ้งนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจของตนของตนให้บริสุทธิ์ของใส จ, จนถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานสาวกในครั้งพุทธการอุ้นทำตั้งใจ หลังจากภาษาวกเลิกลาไปแล้ว อ, อิกอีกอย่างหนึ่งของประพุท ธ, ธิเจ้าของเราก็คือว่าแก้ปัญหาของเทวดาอัทรเตเทวปัญหาหนังคำว่าเทวะเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาจาตุมมหาลาธิกาขึ้นไปตลอดจนถึง ชั้นชมเรียกว่าแก้ปัญหาของเทศของเทวดาพยาอินพยาพมคือว่าพยาอินพยาพมนั้นตอนเที่ยงคืนมีโอกาสก็มาฟังธรรมพระพุท ธ, ธเจ้าคือว่าเทศนาให้เทวดาฟังหรือใครมีความขัดข้องสงสัยอย่างไรก็มา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 ก็จะเห็นด้วยกำลังจิตใจของตนผู้ภาวนานั้นหลังจากเทวดากลับไปสู่หอปราศาสราลาสมุนเทียนแล้วก็ยังมีกิจอีกกิจหนึ่งคือธรรมดาพระพุทธเจ้านั้นจวนจะแจ้งจวนจะสว่าง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 นี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อได้มาตรัสสรุปแล้วในโลกก็ย่อมช่วยมนุษย์และเทวดาอินทร์ลมทั้งหลายให้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจในการละกีเลสความโกรธความโลภความหลงของตนของตนให้มันเบาบางหมดสิ้นไป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 คือถ้าผู้ใดสาวกองใดคนผู้ใดมีอินทร์บรารมีเกียรก้าเกียรยงถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธะเวไนเป็นเวไนพระพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นพระพุทธเจ้าเทศนาคำอย่างเดียวจึงตั้งใจ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 เพื่อจิตใจจะได้สงบตั้งมั่นเป็นหลักฐานพยายามอยู่ในใจของตัวเองทุกๆคนการปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่ตั้งมั่นเสียก่อนก็ไม่มีทางที่จะ <c oughs> ได้บรรลุมรรคผลเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตคนเรานั้น เหมือนไฟฉายธรรมดาไฟฉายนั่นเวลาเราบิด <c oughs> สวิตซ์กันแล้วมันก็ส่องไปข้างหน้าเจตใจมนุษย์คนเราก็เหมือนกันที่แหลกความโกรธที่แหลกความโลภที่แหลกความหลงมันพาให้เป็นไป ไม่ได้เท่งมองมาดูลายวาจาจิตของตัวเองอำนาจกิเลสนั่นแหละมันพาเข้าพาเข้าลกวุ่นวายไม่สงบระังขับตั้งมาเวลาอยากบวดก็ร้องให้น้ำตาไหลเวลาอยากศึกก็ร้องให้น้ำตาไหลคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริง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 นิพพานนั้นไม่ใช่อยู่นอกป้าป่าหิมพานไม่ใช่อยู่ต้นไม้ปูเขาไม่ใช่อยู่ที่น้ําที่ทะเลบนฟ้าอาวกาศก็ไม่นี่นิพพานมันอยู่ในใจมนุษย์ใจเทวดาอินทร์ชมนี่เองเราทุกคนก็มีนิพพานอยู่ในใจแต่ว่าการปฏิบัติ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 เพียงแต่ว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาเมื่อชาเกิดขึ้นในร่างกายสังขารเจ็ดกิเลสมันก็มายึดมาถือเสียแล้วมายึดว่าตัวเราเจ็บตัวเราไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จักปล่อยวางผู้ภาวนาจะให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานต้องรู้จักปล่อยวาง ท่านว่าเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ไม่เก็บมาคิดลึกถ้ามันยุ่งสมองยุ่งใจภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจให้มันแน่วแน่มั่นคงโยภายในนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นจุดที่เราจะต้องรวมจะต้องสงบก็คือว่าคำว่าจิตคำว่าใจนั้น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 ร้อนกระทบกายก็รู้หนาวกระทบร่างกายก็รู้กาดูเห็นรูปมันก็รู้หูฟังเสียงก็รู้จมูกดมกลิ่นเหม็นหอมก็รู้รสอาหารทานเล่นมันก็รู้เจตนั่นคือว่าผู้รู้อยู่ตลอดกาลผู้ภาวานาท่านก็รวมสงบ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 เมื่อมาทำความเทียนเท่งโยในจิตใจดวงที่ลู้โยในปัจจุบันขนาดนี้เวลานี้ให้ได้ทุกลมหายใจสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่ลู้นี่ออกไปทั้งหมดทั้งมวลนาักนิดยังไม่เที่ยงทั้งหมดนั่นแหละหลงไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆเรียก ว, ว่าทุกขัง หลงไหลมัวเมาไปก็ไม่ได้เรื่องจงมาทำความแจมแจ้งในใจว่าดวงใจที่รู้อยู่ที่นี่ก็ลวงอยู่ที่นี่สงบอยู่ที่นี่เห็นจิตใจที่หลอกลวงสังขารทางหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรที่จะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่เลย เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขึ้นเชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งโลกทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเต็มโลกนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดโอปะนะยิกธรรม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 นอนโยก็สบายตื่นขึ้นก็สบายเพราะจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ภาวนาอยู่ไม่หลงไหลไม่ติดข้องปัวพันอยู่ในกิเลสของโลกเมื่อเราทุกๆุกคนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจของตนกองนี้ได้แล้วการปฏิบัติภาวนาก็จะไม่ลุ่มลุมดอนดอน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 กิเลสมานสังขารมานมากน้อยเท่าไรเราไม่ตามมันไปลักทิ้งให้หมดสิ้นยังจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ผ่องใสสะอาดไม่ยึดมั่นถือมั่นในชาตในตระกูลในตัวในตนในเราในของของเราไม่ให้ใจหลงไหลไปติดข้องลัวพันใดใดทั้งหมด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 ในธรรมะปฏิบัติก็จะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาในจิตใจของเราทั้งหลายนี่แหละฉะนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ว่าเราจะอยู่ในเทศพันวันนะใ ด, ดก็าตามให้ตั้งใจลงไปที่กงนี้ให้สงบประงับอย่าได้หาไปที่อื่นหาไปที่ไหนก็ไม่เห็น ต้องทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิต ด, ดวงใจดวงนี้แล้วก็จะได้หมดการหาตาหาก็จะไม่มีจิตใจก็จะมีแต่ความสงบสุเยือกเย็นในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็ต้มควรด้วยตาละเวลาเอ ว, วังก็มีด้วยประการะนสน สัพพีติโยวิวัทชันตุสัพพโลคโควินัสตุมาเตภวัสวันสราโยสุขิติคายุโกภวะภะิวาธนาสีริษนิจังวุทธาปจายิโนจตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังราพุทธเจ้า ท่านตัดไว้ว่าเสนาสนาสบายเยอะที่อยู่ที่ภาวนาเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่วิเวกเงียบสงับเยือกเย็นไม่มีอะไรทุกผ่าท่ามผ้าปลองนี่ก็เป็นเสนาสนา์เป็นที่สบายแห่งหนึ่ง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 แิเลความโกรธนี้มักจะเป็นหัวหน้าอยู่ในใจทุกๆคนเมื่อไม่พอใจอย่างไรจิดมันก็คับแค่นแน่นใจขึ้นมาเรียกว่าโทสะโทสะนี้จะเลิกละได้ก็อยู่ที่ภาวนาการภาวนานั้นก็ให้ระลึกถึงพระ บรมมาสบสดาจาร์ของเราในวันที่พระองค์จะได้จักโซพระองค์มีความสามารถอาจหารในการปฏิบัติธรรมพระองค์ละลึกได้ว่า เมื่อได้รัทพยากรจากพระสัมมาสัมพุธธทธเจ้าทีฟังก่อนแล้วว่าออกสีอสงไขยข้างหน้าก็จะได้มาตรับเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระ อ, องค์แสดงออกบวชได้หกพันศา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 ต้นไมโพอคือพระพุทธเจ้ามาตรัสโพธิญาณบริบูรณ์ในลุกขโมนล่มไม้ตนนี้เมื่อมาถึงต้นไม้นี้แล้วพระองค์ก็รู้สึกนิความปีติยินดีในต้นไม้ตนนี้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 งตัดสั่ไม่ได้เมื่อพระองค์รวมจิตใจลำลึกถึงคาพยากรของพระพุทธทเจ้าที่ปั่งก่อนอยู่ก็ได้ความขึ้นมาในน้ำพระทัยใจพระพุท ธ, ธ อ, องค์เองว่า การที่จะตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้านั้นถ้ายังไม่สละชีวิตให้เป็นทานเมื่อใดยังตัดสรู้ไม่ได้เรียกว่าเป็นพระธรรมในิมิตาโปรฏ ก, การขึ้นมาในน้ำพระภัยใจพระพุท ธ, ธเจ้า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 ใต้ล้มไม่พอเง้าไม่พอนั้นในคืนนั้นเป็นวันเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพระองค์นั่งถิ่นหลังให้ต้นไม่พอก็นั่งคัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย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 ไม่ทอดแท่อ่อนแอในหัวใจเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ลํำลึกอีกว่าจะเอาอุบายธรรมอันใดหนอมาภาวนาจึงจะได้จัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ความขึ้นมาในจิตใจของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง ว่าโอบายภาวนาไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่และเป็นโอบายภาวนาเมื่อพระองค์ท่านลำลึกได้อย่างนี้ก็ตั้งสติขึ้นมาสติแปลว่าความละลึกได้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 นึกจะเล่นอะไรก็ได้แต่ว่านึกแล้วจะเล่นแล้วเอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ทำไม่ใช่ทำเล็กๆในน้อยตั้งใจทำจริงๆและในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราเจิตใจก็สงบระงับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนา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 หรือว่าปัญญาก็เดา ว, ว่าปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของพระองค์เพิ่มเติมจากลมหายใจอีกมองเห็นหลักอนิจจังของอนัตตาที่ว่านามะรูปังอนิจจังนามในรูปนี้ไม่เที่ยง นามารูปังทุกข์ก่อ <c oughs> นนามในรูปนี้เป็นทุกข์ไม่ใสุ่กสบายเหมือนแต่เก่าก่อนมานามารูปังอมตานามในรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราของพระองค์แจม่มแจ้งชัดเจน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 ในขณะที่เจ็ตใจของพระองค์สว่างแจ้งขึ้นมาว่าเป็นจริงในหลักอนิจจังทุขังอนัตตาจิตใจของพระองค์ก็ตัดกิเลสราคะกิเลสโทสะอันมีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปในในเพรศตาเดียวนั่นแหละ เมื่อตัดอารมณ์กิเลสเหล่านี้ได้เจ็ดใจพระองค์ก็แจ้งใสสว่าเนียว่าสว่างแจ้งหมดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังเจ็ดใจพระองค์ก็เรียกว่าตรัตสโลพระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาด้วยการสละชีวิตรแลกเอา คือพระองค์นั่งภาวนาข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายถ้าเกิดว่าภาวนาตัดกิเลสไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกยอมตายในที่นั่งนี้แต่บังเอิญกิเลสลาคะโภสะโมหะที่นำพระไทยใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยดับไป อันเราทุกคนมาโซสถานที่วีเวยอย่างที่เรานั่งภาวนาฟังธรรมอยู่ในเดี๋ยวเน่ก็ให้พากันตั้งใจลงไปออย่าให้ใจของเราท้อแท้อ่อนแอมักง่ายให้ใจมั่นคงเหมือนแผ่นดินคือไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆ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 ดังแสดงมาก็สมควรแก่กาละเวลาเอวังก็มีด้ดยประกาลัชนีสัพพิทยวิวัทันโตสัพพะโลโควินัสโตมาเตภวัตวันตรยโยสุกิธีคาอยูุโกภวะ อะพิวาธานาสีริชนิจังวุ ธ, ธาป จ, จาญโนจตตาโรธรร ม, มาวทันติอายุวันโนสุ ข, ขงังผา